ตอบง่ายๆก็คือแฟนเขา Padao คำถามสุดหอดยังก็ทอดแต่กอดกว่าได้คิดถวนคำถามยามใด wann kann fam yam nei